วันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2555ปีนี้เขาพรรษาวันที่3พระจำพรรษาที่วัดของเราปีนี้มีอยู่42รูปวันนี้ลงมาฉัน28รูปงดฉัน14รูป โดยมากจะมาฉันไม่พร้อมกันในเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราคณะสัตย า, าติโยมจากจารุรธิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีล่วงไปเลยไปแต่พวกเราไม่ได้สนใจชีวิตของพวกเรา ก็โล่งโรยไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันจะหยุดอยู่วันใดวันหนึ่งถ้าพวกเราได้สังเกตพวกเราจะเห็นความแก่ของเราปีนี้ต่างกว่าปีที่แล้วปีต่อไปก็จะไหลลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้น ให้สะสมสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อีกสักวันหนึ่งพวกเราคงจะกระโดดข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติก็คืออะไรก็คือเมื่อได้รับบีซ่าเมื่อได้รับบีซ่าแล้วพวกเราจะต้องเดินทางต่างประเทศ ในขณะที่จะเดินทางต่างประเทศเราพร้อมหรือยังเราเตรียมพร้อมหรือยังอุปกรณ์ในการเดินทางเงินในกระเป๋าเขาเราเป็นที่อุ่ น, นใจหรือยังสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิด เ, ออเมื่อเราจะข้ามพบข้างชาติบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้เป็นที่อุ่นใจหรือยังเราลำลึกขึ้นมาแล้วอุ่นใจหรือยัง ในขณะที่เราจะจากโลกนี้ไปนี่แหละอันนี้เลาคือเตรียมให้เตรียมใจเตรียมความพร้อมแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่มกมุ้นในการทำมาหาเลี้ยงชีพในสมัยเป็นน้อยเป็นนมเราก็ทำมาค้าขายเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแต่พออายุมากขึ้นมาก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงไปหมดเลยนะ ไม่ได้ห่วงตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะล้มหายตายจากพอน่เจ็บใครได้ป่วยกระวนกระวายทุรักทุเลทุลนทุลายยิ่งเข้าไปอยู่ห้องไอซียูทีนี่เออข้าจะไม่ตายจะเลอวเลอคข้าวนี่แทุกใจอย่างขนาดหนักเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่าตัวเองจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอ ว่ามรณงเมภาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องจากโรคนี้ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวเตือนพวกเราหลวงพ่อเคยได้ยินญาติโยมอายุแปดสิบกว่าที่รักเคารพในองค์หลวงตาไปมาหาสู่รักเคารพในองค์หลวงตาพออายุ แปสบกว่าปีท่านก็ป่วยฮป่วยวาของเาเนี่ไปแม้หลอดแน่ตายแน่ข้าวแน่จากนั้นท่านยังได้เขียนเป็นพินัยกรรมบอกว่าทรัพย์สมบัติส่วนตัวของข้ามีเท่านี้ควรจะแบ่งให้เท่านั้นแบ่งให้ลูกให้หลานเท่านี้เท่านั้นแต่หนึ่งล้านบาทขอสร้างเจดีหลวงตาถ้าข้าตายลงไปเมื่อไหร่ก็ขอให้เอาเงินจํานวนเนี้ ร่วมสร้างเจดีย์หลวงตาให้ด้วยอันนี้คืออายุแปดสิบกว่าปีที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือต้องคิดวางแผนไว้ว่าชีวิตของพวกเราเนะี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะสั่งสมคุณงามความดีอะไรควรจะประกอบคุณงามความดีอะไรเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายต้องได้คิด ไม่ใช่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วผ่านไปแล้วแกมอบสมบัติให้แก่ลูกแกหลานให้ลูกหลานเป็นคนทําบุญให้กับเราให้พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันขนาด เ, เรามอบสมบัติให้กับเขาเขายังขี้ตนันีทีเหนียวขนาดไหนแต่เวลาเขาใช้เองเขาใช้ลุยจู่แชดใช้แบบสูลุยสูย้ไลยแต่คิดจะทําบุญนึกจะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่ตกพุกตะยาก ญาติๆพี่ๆน้องๆเขายังขี้เหนียวยังขี้ตันีทีเหนียวไม่อยากจะแบ่งปันให้พ่อแม่อีกต่างหากเพราะนั้นจุดนี้พวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอยากจะทำอะไรให้ทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างองค์หลวงตามหาบวัวท่านบอกว่าเราทำเอาพอแล้ว เราสร้างเอาพอแล้วเราบำเพ็ญเอาพอแล้วไม่ต้องทําให้กับเราเมื่อเราตายไปแล้วไม่ต้องสวดมาติกาบังสกุลให้กับเราอไม่ต้องสวดอะไรให้เราทั้งหมดเราพอแล้วนี่แหละอันนี้คือหลวงตาเป็นตัวอย่างเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านขณะยังมีชีวิตอยู่ เราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติก็ขอให้พวกเราทำทำให้ดีที่สุดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราล่วงรับดับขันไปแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยพวกลูกห ล, ล, ลานไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดพึ่งพาอาศัยเขาเพราะว่าเราทำเอาพอแล้วในขณะยังมีชีวิตอยู่เราจะทำบุญทำทานเท่าไหร่ เราจะสร้างเดียรเท่าไหร่เราจะทําบุญวัดวาศาสนาเท่าไหร่เราจะสร้างสาธารณประโยชน์เท่าไหร่เราแบ่งแบ่งทำพอทําเสร็จแล้วลูกหลานเอ้ยเมื่อข้าตายไปแล้วไม่ต้องทําให้กับข้าเนอะข้าทำพอแล้วล่ะขนาดนี้ข้าทำพอแล้ ว, ล ว, าาลวจาสมบัติที่มีอยู่นี่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้สู้เจ้าแบ่งแบ่งกันเนอะอย่าทะเลาะกันเนอะ เพื่อๆแบ่งให้เขาไว้ก่อนเพื่อเขาไม่ให้เขาทะเลาะกันสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดไว้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าออพอเราเท่าแก่ชลามานก็ไม่กล้าทำบุญตัวเองก็ไม่กล้าทำบุญแล้วก็บอกสั่งเสียคเมื่อข้าตายไปแล้วให้สู้เจ้าทำบุญให้ขับข่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, นเน อ, อ, เ อ, อพอเราตายไปแล้วเขาจะแย่งกันอีกต่างหากเขาไม่ทาหรอก เพราะนั้นเสียงเหล่านี้เราไม่ใช่ว่าเป็นสมบัติของเราเราก็ควรจะทำให้เกิดประโยชน์สาหรับเราเองจะไปทำที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นแต่เพียงแน่แนวหลวงพ่อเพียงแต่แน่แนวนั้นไม่ใช่หลวงพ่อจะให้มาทำกขบหลวงพ่อไม่ใช่นะคณะสัตา ญ, ญาติโยมนะเพียงแต่แน่แนวจริงไหมแต่ถ้าพวกเราที่ยินพวกเราก็คงจะไม่สบายใจหรือว่า ในในช่วงที่ได้ยินแต่เมื่อพวกท่านนำไปคิดไปต่อไปภายภาคหน้าแล้วพวกท่านทั้งหลายจะยอมรับว่านีน่แหละหลวงพ่อพูดเป็นความจริงเอาความจริงมาพูดเอาคําจริงมาแนะนำให้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อก่อนที่เราจะจากไป เ, เราควรจะเตรียมทรัพ์สมบัติใส่กระเป๋าอะไรของเราไปด้วย ได้บ้างยังไม่ใช่ว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบมาแหล่งเงินแหล่งทองมาพบขุมสมบัติแล้วพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจรปะว่าเปล่าประโยชน์เกิดมาพบนั้นชาตินั้นทั้งที่เกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทำบุญ ไม่ได้เสียสละไม่ได้ทําบุญทําทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้นับถือเลื่อมใสอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้เกิดมาพบนั้นชาตินั้นเพราะว่าเปล่าประโยชน์นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าได้เปล่าประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและก็พร้อมกันก็ให้บําเพ็ญเรื่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเรื่องทานก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องรักษาศีล แปลว่าเข้มงวดกวดขันเข้ามาอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินอย่าไปเห็นอย่าไปฆ่าสัตว์อเพราะเราอายุมากแล้วขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รมมูสาตัวมูสาน่ยคงจะมีแต่ว่าสุราควรจะงดทั้งหมดนะแต่ตัวมูสาเนี่ยมันมันรักษายากป้าหน้าก็รักษายากเพราะมันเคยชิน ในการฆ่ามดฆ่ายุงอธินาเนี่ยถ้าไม่มีอุปนิสัยจริงถ้าไม่มีนิสัยขมโมยเนี่ยก็คงจะทำไม่ลงการมสุมิชฌาจารย์อันนี้ก็ระวยงระวังอยู่แล้วมุสาเออบางทีโกหกเพื่อเอาตัวรอดเพื่อโกหกไปเพื่ อ, อความไม่ทะเลาะกัน อ, อย่างนี้อาจจะมี เ, เพื่อความมุ่งหวังผลประโยชน์ อ, อันนี้ก็มี มุสาแต่สุรานี่ควรจะควรจะงดอย่างเด็ดขาดนี่แหละถ้าเป็นไปได้ทานก็ดีทานพวกเราพร้อมอยู่แล้วเคยทำบุญทำทานมาอยู่แล้วสินเนี่ยควรจะรักษาในไตรมาสสามเดือ น, นถ้าควรจะมีสินส่วนภาวนาเนี่ยสำคัญเภาวนานจะทำยากจิตใจยังไงจึงจะให้ได้รับความสงบยเยือกเยน็น ควรจะภาวนานะเพราะว่าสัมสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ให้ทานก็ดีรักษาสินก็ดีมารวมแล้วก็คือภาวนาถ้าเรีว่าภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลนะจะรวมเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราคือภาวนานี่แหละจิตใจของเราจะมีพลังด้วยอเนกสงทานด้วยอเนกสงสินและก็พร้อมอเ น, นสงภาวนา ภาวนานี่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่หลวงตาก็แนะนําสั่งสอนแล้วให้ภาวนาพุทธโธเน่เนี่แหละสายหลวงปู่มั่นเนี่แหละพวกเราอย่าไปกระซับกระไซเดี๋ยวก็บสายนั้นเดี๋ยวก็บสายนี้เดี๋ยวก็แนะนําอย่างโน่นเดี๋ยวก็แนะนําอย่างนี้เดี๋ยวพลังโน้ดเดี๋ยวพลังนี้อพลังพระอาทิตย์พลังพระจันทร์อพลังจักรวาลพลังอะไรตัวมีอะไรใอ้แล้วเกิดสินเพ่งอย่างนั้นเพ่งอย่างนี้อ แล้วก็มีครูบาอาจารย์จากที่อื่นมายุหน้อพองน้อบักกาหนดจิตอย่างจิตอย่างนี้บักพวกเราก็เลยไขย้เขวทีนี่ไม่รู้จะเอาจุดไห น, หนกระโดดนู้นกระโดดนี้เพราะในสุดเลยอยู่กับที่ทีนี่เพราะมันไม่รู้จากทางจะไปกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังเพในสุดก็เลยไม่รู้จะภาวนาอะไร เพราะนั้นหลวงพ่อเองแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นให้พวกเรายึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นยึดแนวแถวสายหลวงตาครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่ขาวระหว่างหลวงปู่มั่นก็จบแล้วล่ะเพราะหลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิษยานุสิทธิ์หลวงปู่มั่นสอนว่าให้ภาวนาพุทโธนะเนี่ยแหละยึดพุทโธเป็นหลัก พระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาที่โคลนต้นโพพุทธคยาท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนั้นคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นท่านว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงแค่นั้นมันสั้นเกินไปแต่มันหลุดได้ง่ายนี่เพราะนั้นท่านให้บริกรรมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโถพุดโท ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเวลาก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถงเดินย่างกลมให้ภาวนาอย่างนี้นะเมื่อเราภาวนาอย่างนี้ให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เผลอกำหนดให้แน่วแน่กำหนดให้มั่นคงดูลมหายใจเข้าออกแต่อย่าไปแต่งลมให้มีสติสัมปชัญญะในลมแต่ว่าให้ดูให้ให้ดี กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละบริกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธนี่แหละกรรมฐานของหลวงปู่มัน่นเพราะนั้นคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะภาวนาต้องยึดตามแนวแถวนี้เท e ่านั้นเพราะเหตุอะไรจึงให้ ย, ยึดแนวแถวนี้เพราะหลวงปู่มัน่นที่ท่านเป็นปรมาจารย์ที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผู้แนะนาสั่งสอนพวกเราเป็นปรมาจารย์สอนพวกเรา เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเมื่อท่านตายไปกระดูของท่านในกายเป็นพระธาตุนั้นแหละคือกระดูกของพระหรหันธ์เรามั่นใจในะวะันนี้แหละกระดูของพระหรหันธ์ที่ทําคําสอนของหลวงปู่มั่นที่สอดมาไม่ผิดแน่ขนาดตัวของท่านเองเมื่อล่วงลับดับขันไปกระดูของท่านก็นเป็นเม็ดกลมให้พวกเราได้เห็น เ, เป็นที่ประทับตาประทับใจของพวกเราเพราะทัานจากนั้นมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ไม่รู้ว่ากี่องติดกี่อง ค, องค์เมื่อท่านล่วงรับดับคันไปเมื่อพระราชทธธานเพลิงได้ถวายศรีระของท่านไปแล้วล้วนแล้วจะเป็นกระดูกของท่านอัฐิธาตุของท่านกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นองค์แล้วองค์เหล่าก็แสดงว่าสายนี้เป็นสายพระหรหันเพราะนั้นเราอย่าไปสงสัยอย่าไปเอาที่อื่นมาบมาบริกรรมเพราะเราอยู่ในสายหลวงปู่มันให้แน่วแน่ให้ยึดตามแนวแถวนี้ หวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะมีความสุขความสบายใจมีความเย็นใจไม่ใช่ว่าสายนั้นสายนี้องค์นั้นองค์นี้มาแนะนำกระโดดซ้ายกระโดดขวาผลในสุดเลยไปไม่ถึงไหนอยู่กับที่ตายแล้วก็ตายเปล่าประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ภาวนาอะไรผลผลที่สุดไม่เชื่ออีกต่างหากเลยพอภาวนาไปภาวนามากันไม่เชื่อ อ, อีก ว่เหตุอะไรพราะใจไม่ได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขเนพะราะนั้นท้าว่าพวกเราเอาจริงจังนะปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสตัตยาธิษมทุกคนให้ภาวนาพทุทโธทดลองในปัญสาริสามเดือนก่อนหลับก่อนนอนนั่งภาวนาตื่นนอนขึ้นมาเมื่อเวลาว่างๆนั่งภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลอืออันปินส่ว น, นัณฑ์แต่เรื่องภาวนานะี่แหละควรจะ ภาวนาให้มากๆสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอายุมากพอสมควรแล้วเนี่ยควรจะเล่ยงเรื่องภาวนาเรื่องจิตตภาวนาเพราะเรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทํามาพอสมควรแล้วเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ว่าเก็บหอมลอมริบเนีคล้ายๆว่าเราทํามาค้าขายที่ไหนที่ไห น, ไห น, เ, นเงินของเราอยู่ในบัญชีไหน อยู่ในธนาคารไหนทรัพย์สมบัติโฉนดที่ดินของเราอยู่ณที่ไหนเรื่องภาวนาเป็นการรวบรวมรวบรวมบัญชีรวบรวมโฉนดรวบรวมเงินทรัพย์สมบัติเข้ามาเป็นหมวดหมู่เข้ามาเป็นก้อนเข้ามาอยู่ที่ใจของเราเนี่แหละการภาวนามันรวบรวมถึงขนาดนั้นจากนั้นก็สิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงที่เราทํามาเป็นพลังเป็นพลังเครือกูนนุน ท้าทำไม่จิตใจของเรามีความสุขความเจริญเมื่อเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่การได้ทํามาในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีความสบายใจมีความสุขใจก็เห็นอะไรเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้ลังแกใครมีแต่ให้มีแต่ทำบุญมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลมีแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าจะคงคงไม่ลงต่ําแน่ๆข้าพเจ้าต้องไปสู่สุคติ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนาสั่งสอนมาเนะีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการบอกกล่าวแนะนำแนะนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นแนวแนวความคิดแนวความคิดแต่พวกท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็ให้คิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าว่าคิดแล้วเออใช่ถูกต้องต้องควรจะเดินในลักษณะอย่างนี้ พวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใาใจของเราพวกเราจะได้รับความสุขความเจริญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พน